ในขณะนี้ก่อนเสร็จสิ h, ้สครับเมื่อสังเสร็จแล้วก็มีการอบรมกันเรืองการเน้แนววิธีแก้ปัญหาหรืวิธีเป็นการปฏิบัติสวาได้แก้ปัญหาสวัสดีครับในขณะนี้ก็ฟ้องลงกับสิบวิธี ที่อะไรกัน การทํากรรมฐานเนี่ยพีผมได้ได้ผมสอนได้ครับสอนได้ที่จะให้ผมตัวนี้ให้มันตัวแขงเนี่ยผมเคยให้ขันว่นเป็นเนี่กับเพื่อนเพื่อนใครต้องการเอาได้ไม่เคยขายสิบบันครับพราะผมทําได้ครับคนอื่นท้างหำไม่คือผมผมทําเป็นคนอื่นต้องทำเป็นคือผมพราะผมกับเพื่อนคือกันเมืับในแข้งขาแม่ตาเมื่งเท้า มีเหมือนกั น, นัดครับมันก็จะมีมคําให้กับนีลูกนีไจะมีมีสงมีสังขารมีเ่ามีเท่ากันนัดครับผู้หญินผู้ชายจะมีเท่ากันนัดพาสงฆ์เจ้าก็มีเท่ากันนัดให้เสื่อคลอ น, นี่ครับมีเหมือนกันนัดทุกคนกุเสือทุกหทุกภาสนครับไม่จะถือศาสนาไหน ก, ก็มีเึ่กันครับนะ การทำความสมุูรณ์ทำได้ทุกทุกครั้งทุวัเพราะอัาเสียงเขาอันเสียงความจริงเป็นแหวะเสีความจริงไปวิธีครับแหวะเสีคนจริงไปคือมันเปติดขนฝุ่นไอีนึงครับต no ิดขุ่อีโอปีตีคงบาดใจ่ไปีตีควรอิ่มจควรพอใจควรยินดีติดติดอารมณ์่างนครับเมื่อติดติดอารมณ์นั้นแล้วตัวกันยาตัวนี้ก็เลยมักเกิดขึ้นครับ มักเกิดสัญญาตัวหนึ่งผมพูดติดตัเล็กเดียวครับมันยึดานมอึ้งอุปทาน้านผมพอนงิคือไวายักยึดพอกหางหนูคือคำว่าทุกแรงแรงยอดับเพชรแรงแนี้อดแตกที่แรกมีเงินเกิดมาเมนไปกินหั่นกินหับ้านผมกินหั่นอาจัะเงนหางหนูเินหางเงิ จีหันานมือหาเงาะเอาหามฟาไปฟมาดกับมือจับกันเข้ามแขตัวมีต้นเบือหาหงายขึ้ขึ้นเบหงายต้องเหนหาหายครับมเปตเอทับมือแตกครับมือมือมขนี้กับฝ่ามืงกับฝ่าจับกันนี่นะครับมันเป็นอะไรวันนี้เมื่อเกิดออกมาที่หน้าข้างมอเด เราจ a ดอะไรันก รู้จากทำบ า, าทธนักษาจริงๆนะมันบคลาภิ ก, กันอย่านี้ครับคือาให้รูจ้จักเป็นินครับบางนมกผมมาทอนไรนจักรจักมันไู้จักตัวเองครับมันเคลื่อนไหน ไ, ไปาให้มีสติเล่นครับอนนเอาหน้าตนการพูภาษาทำนะการพูนนภาษาบ้านเาให้เ่นนะครับมันเคลื่อนไหวโดยาให้เล่น ก็แบบด้อยคูเยอะขึ้น ห, หนึ่งเดี๋ยวนี้ ค, คือเรากำลังมีคนมาใช่ยังแบบนี้คำาังไคู่จีบเยอะขึ้น ไม่เป็นธรรมไม่เป็นยงนเป็นคำสรรคั่งของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็ลไป เ, เรียกเ ง, งนินีแท่งเงินค้ำปวดหลังปวดเอวที่จะงาดูอาจิบย์หนึ่ง เดินมาบ่ปุ๊บเดาปุ๊บ ถือเป็นการคาดคะเนดนดังเมื่กาสิพ่อครับผมจำบาคนได้บอกได้เลยครับเพราะว่าหนึ่งสัญาของผมจำหลังสัญญานี่จำเยอะแยไปครับเนี่ยสัญญาที่ผมดีมาจากกดตายจริงทำใ้ฟังจริงๆนได้เห็นเงกักือครับเองยุคไหนเครื่องไหนมันเป็นดีต่างมันยุคจริงครับพอสัญญาไปดีในสแตนตัวนออกมาครับนี่สัญญาโอ้ เป Dante, ็นรูกจริงๆเป็นามจริงๆโดยลูกอันี้แีละอนี้มันปามุูงข้รื่อยๆเลยคมันสูก้วนจาขันนี้อันนี้นมมันมันเป็นลูกเป็นนามเองมันเป็นลูกทำงานทำลูกกระทำนากระทาเด้ยวทมากขึ้นวราอครับนี่คความจริงมาแบบนี้ศึกษาธรรมศมสตเคลื่อนไหวตั้ตก said, ia, ากระ้ตาข้านเลือกใ้เราโขนได้พลิบขึ้นพลิบลงได้ มันหายใจกันหมจากนเข้านออกบุคคลันสาบครับีอันมคนอื่นเห็นไ้ครับซึ่งจุตใจบันนึกมันคิดว่าคนอื่นเหนาอย่างไรเอาเข้ามาไม่เห็นไม่เห็นตัวเราก็ไม่รู้จักอันไม่รู้จักขไม่เห็นมันฝกว่าอันเดียวกันนะครับไม่เห็นไม่รู้จักเขาไม่เห็นารู้จักแล้วเพราะสัญญา้มันยังหนีครับเมื่อคุณเห็นอีสัญมันก็ขึ้นมาแล้ว ได้สัญญาตัวนี้แล้วได้สัญญาสัญญาเนีดเด่ยสาคัญดูครับเอ่อได้มาสัญญาพิธีก็สำคัญผที่ดไปเข้าใจว่าสันญาได้ดีู่บ่ได้ครับเออการสัญญาพิธี่ด้อยกับใดต้ังควรเงินตั้งกันครับควรเงินของคนก็คือกันเมื่อผมเขา้าใจลงสิเราผมจะ่ีเสียวใส่ทั้งนั้นครับเพราะมนของจริงอย่างเี้ครับ เก่มากทีรอุษุกมังยััญญังยัอัฏฐาััอริยามังยัดซึ่งนีคุณลกษณะบริธิานี้ครับไปทำผมดีขึ้นมาครับดีขนแต่จิตสื่เพราะตัวมันลกมันเองครับแล้วตัวมันลมนเองจักวิปัสสนาต เรื่องของขาดต่เงินมนกำลังลุกมันกำลังแทกเนมันกำลงแตกหครับมอุปมาเป็น้วจรงตกก็กลังมีจริเมื่อลุกโลกงานโลกลุกโกงานลกมีสอ ง, งนนอย่างโลกทาเงนอยนี้โลกขันจิตใจอังครับแล้วก็มีคุกขังอิจันป่าหลุมีคุกขังอริจัในเตาแล้วก็กสมุสนนมุทมีาที่ส มาพดขึ้นเทุกวันถ้าอยากไยินเสียมาพูดของจริงเรากันจำเป็นต้องเอาสียงเอางแบบนีมาสกันเี่สต่าตบานักแล้วของกินกินโดยสมรรถนะสกินโดยะมัง เพ่อนคนที่เข้ามาในวนัพระพุทธลูกจนซือเปบ้านผลมีพระพุทธลูกหลายองค์ครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> มันพอมีจีนมาการโทษเคยได้พระหนึ่งสัเคยเอา พ, ะพระพุทธลูกไปไว้บ้านนี้ครับยิ ศาสนาก็คือตัวผมนี้เลยนี่ยตัวผมนี่ทุกคนเป็นศาสนาเท่านั้นพุทธศาสนานีคือตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิตัวอะตัวเข้ามาเนีตัวปัญญาตัวนี้แหละเข้ามาเนนี่นะครับตัวนี้ตัวเราเนี่ยเป็นพุทธเป็นอางพุทธอะไรนะเข้าใจกันไหมเดี๋ยวพุทธศาสนาคือทุกคนผู้หญิงก็เป็นศาสนาเป็นพุทธศาสนาได้ยึด เราบุกเขื่อนโดยส่ใสายทฤษว่าท่าน ไปนอกโกกันนี่คำพิจารณาแล้วมนผีมันเถื่อนหนาเลยเเปลนคิดอหนซอนข้านาอีกทีนึ่งครับซอนข้นาก็เป็นมือคนคิดอะไรอีกทีหนึ่งเบื่อนใเือคิดอไทีโอ้ยม่เงินเาครับตั้งแต่ฟาว็นตกเงินครับจะเป็นเงื่อนอะไม่รู้จักครับเ่นะรอื่ครับเงนื่คัจิตจบเก็เหมือนครับแบบนี้อะไรครับอันน้นทำงานเงน สัญญาอันนี้นะครับสัญญาคนะอันกัเนนยครับคนลูกกับคนลูกคละอันกันด้วันอันเลื่นนีมเลูกอนา้น่ายขายคือเป็นราทเป็นเทมีพาเึรื่องหนึงเปนเทครับเป็นแทถี่มันเอแล้วมันเป็นแทอันหนึ่งเทครับอันที่มัเลื่อนอะไรไม่จนม่เป like ็นเลืนไปยังไงวาเป็นลครับเอนี่ว่าอันนี้เป็นคนลูกของอันที่เราตามใจในส่วนของลูกของอที่ช้าอยาง อะวันไม่ดีสาเป็ังเขาไปยึดมาของลูกอ๋องเมื่อคุณนี่ต่งหนาไ่ครับเมื่คุณไม่ดีสาคอยงนี่เริ่มเดือดเลยนะครับเลยอันที่สองทน่งอีกอย่างนึงนี่คือแท็กถือเขาอย่า่เป็นตกเดอเลยนะครับอ่างนั้นก่นเลยผมทำงานนเป็นควทางเดินเป็นความทางนี้เป็นต้น่ทกษาบ้านผอุ้มทันไม่ต้องพ่อฟ้องบ้านผอทว่าอุ้มอครับ วนกลับไปกลับมากลับไปกันมาอะไรอย่าเงี้ยก็คนคิดขึ้นมาถ้ามันคิดมากพอรับเลยมินต์ประเทศเนี้ยคล้ายๆคือมีคนมาสุกข้างนครับผักข้างไม่นห้างเนี้ยมาขึ้นากับมาเป็นนิสัยสครับ้ม้าเงาอะไรเนี้ยผมฟอกให้คนได้ยินเออมันเป็นห่้าเงาเปนเงกลับไปกลับมาคิดขึ้นมาครั้งที่ออ้มันคิดอะไรพ่นฝนดัคิดไป คิดี่ผมเลยเลครับอู้หน right? right so ึ Iron ่งสิบสี่นี่เนี่ยจะทําังไงครับยังไงครับปีที่บบนง่ไลดอานมายไดอเมายงไเมันดเนมจะาครับอันคคิดนี่คือการพอดีตัใจนจกคิดมันจะคิดขึ้นมาเลยตั้งใจจะเดินเลย เม่อไปเอาไปจีบดุกวนเนี่ยต้ออกไปมองตาวงนึกขึ้นมาเห็นตัดทิ้งไปเยยัไปส่งไปเลยนีกับคนนี้ฝึกอะไรพี่นี่เป็นงานที่ัดคิดไดุ้๊บมันคิดมันจะคิดนดเกันคิดมาลบพอได้จัดติดทิ้งไปจัดติดหายคืนเงากินเมี่เนี่ยตัวน้อกับสร้างตัวน้อยกับตังอ้มากัดทิ้งมดไม่กินกับสร้างกัดทิ้งมัดกัดที่กระดูกไง มันเมืนมันเหมือนกรดเหมนกัดดิกรดกรดที่มตาวใช่ไหมกัดที่มัตาวนะ่พอดูในออกมามันก็มันอแล้วกัดทิ้งนี่ะมันออกมากัดทิ้งไนมันกคิดนีสกันพอเดิมันคิดมาที่โนดคิดมาที่โนยุดขึ้นนอมันออกมามันคิดออกมาคิดมันทีดูทางเข้าทางเข้าทางเข้าใครใคือักงนยึดฟตกกระสั เขอ้อนมีอ้วนนะด้มีกำลังนันที่เรางม่ได้กระโดดไปสนุกครับไ้เต้นไปนอนอเไรไปหับนานตรงตอกเส้ขันอ้วนดีขันดีตอกเส้นก็ดีขันอ้วนดีขันดีต๊บใงานก็ไ่เต็มัมเต็นะท่านท่านคิดมารูคิดมาลูพอรู้ท่าที่มันเลเป็นกรณีรูปรับวัดทูอื่นวัดทูนี่เป็นซื่อของสิ่งนั้นนี่ครับ ปัมหาปก็เป hmm? hmm? hmm? ็นซื้อของสิ่งนึ้อาการอาการเป็นซื้อของสิ่งนึ่ง่งเดียวที่หนามายครับวัตถุนี่ก็เมาเปียบ็นไงูเขาก็มันหายงนี่ก็เป็นวัตถุเพราะตาเห็นไมครับคนมีลูสิ่งที่เรามีก็เรียกได้เป็นวัตถุทั้งยึดครับปัญหาก็เป็นนถึงสิ่งที่ราไม่เ็เป็น่างมันเป็นปหาวัอาการมันเป็นสภาพเปลี่ยนแปลงของมันเองมันต้องมาสัรับ บ้านเมื่อมาเปรีขเขาโตหอยโตหเมื่อหนังแข้งขาหน้าตามื่นมก็เป็นวัตถุัีม่ับก็เอามาถกที่นี้ซึ่งที่มันมีเยวัตถุทั้งนี้บา่งบงกมาเป็บาเรื่อไม่ได้จับขึ้นเองสไม่ใชเองในก์อาการี้เปี่ยวตอนิวัตถุอินเตอร์รอนั้นก็คืใจเป็นอกทีน่จะเป็นวัตถุใจจะเป็นตรจจน ง, ง, จจ น, ง น, น้้างขามันนี้ เมื่อมันดึงข้นมาวโพธิสัวเบหาโลภะกิขึ้นระมันมีขอเมื่อเขาล็นขออยู่แล้วโทธิสับหโลภะมีอเกิดผมเข้าใจเลเมื่อโสัตว์หาโลภะดูดเนื้อจากเง่อนของยึดจักธนารสมาสอารมณ์นี้สั่านสังขารดีงานสั่งอารมณ์นี้จังยึดซีอะไรยึดซีเรียนี้นี่ว่าเทวนานีที่ยึดนีแต่ยึดมีตัวมีแขนยึดมี ผมดูจากสิที่ว่าเปนกระทันท์ดื้อไเลยครับความจงมนีสิ่งที่พนาสิแสงาแสงขันแรงงานรูปอเนี่ยเนรูปที่ขึ้นมารูปเงางารูปสงงารูปแสงขันานนี้หรืหรรหว่ า, ว า, า, า, าเป็นงา น, นรูปอะไรเป็ น, ป น, านปางานซื้อมาซ้อเมเนปเป็นรูคิดอะไรนขึ้นมาวันธรรดามมือโอ้ก็เลยู้จักมันรูจักอันนี้นตัวโตผมเนี่ยน รักหนึ่งร้อกิโลสิฮึดูนั่งสิแต่ยังแบบไม่สักสิบกิโลสิเบาขึ้นมาเต่นในขนาผมรี่มันต้นมเบาขึ้นมาแปดสิกิโลอืมทกขนี่เป็นพระได้แย่มือพงงานเลยหายดูการเกลี่ยผมถอนออกเกลี่ผมอีออกมาเป็นสามหักอือเป็นซีเรียสเลยเข้าใจว่าเออเป็นพระได้เลยทีเดีพระอันนังูนี่กันยงครับอย่เป็นสูสดอะไร เป็น่มนตัวอันั้นับเป็นพระหรือเป็นประครับนเป็นเข้าใจไเข้าใจเดี๋ยวเทย่มันเลยอันนี้เราเอาเกิดขึ้นมาเป็นพระเป็นพเป็นพัะขึ้นมาเมื่อเร่สิ่งนี้แล้วก็รู้รเป็นเขาประธานตันนี้ขึ้นมาเนื่องเรืองเรืองักัรืองเร่ันครับผมก็เลยนพอรือเอาไปเป็นเรื่องไป เงื่อนเก่ยมมันสนุกนเป็นตัวนะครับก็เลยเกี่ยวกับขุนผอมเจอาโอ้ยเป็นอนีสิดิคล้ายๆ ค, คือขุเข้าทางนี่จะเป็นยัไงครับเงินทางเป็นป้าใช่ไหนครพอดีคนทข้าจักลูกหนามีกับพริบด้วยทางนะครับเป็นป้ายกเงานดันเป็นเจ้าหม้าี่เงินกลงุ้เนี่นยนนะพอดีมารูกอันนี้เราคล้ายๆ ค, คือทางเดินเป็นคองเป็นนครับ ว่ามันเป็นขลางเป็นซีดบ้ามคนตาครับนอนตามตาไปคันหัดขลังคนตามันเป็นของไรเลยตัดเป็นไม้เป็นแทวไปโอ้คือครใครคือตัวเองไม่ทางแต่ข้าพุทธเจ้าเองเนี่ม่ทางแต่ข้พุทธเจ้าเขาว่ได้ครับนอนเป็นซีดขลเป็นซีดรู้จักต้นหางมาที่นเนี้ครับก็เลยมีคนสังเกขึ้นโอ้หัวเป็นพักเป็นซี วัน รักษณะมาตั้งแต่เมื่อ ก็าจไซื้อด้ซื้ออะไรไปซื้อซ้เนาซื้อเ่งขเนหอไะเขาจซื้อกับสนาะส่งเข้าใจวที่ปกติเป็นเครื่องกันแต่กิเลสหกพรากเลสยังทสะมุหะมภากเลตัณหาอุปทานนลดลงแต่จริมค้เมื่อเลเรามีหนึ่งหนใกหนาา สินงเเกิดขึ้นเดื่ยปากฏสตำนาอันนี้ัเกิดขึ้นทีเพราะมีเนื้ย่อมันอัดกันอยคครือปัจจัปิดน้อเยสเขาไป็รัจจัยเน้ย่นี้ครับพอด้วยเขาปัจจัปัจจัยเกิดาเหมนมาอส่งมันเป็นสิ่งนี้ลมรูากสิ่งสิ่งขันสที่ขันตำนาขันผมรูปปากนีสิครับขันก็คือตัวเขาไมว่าขันห้าขันแปดยังไยครับขันก็ว่าขันคือรูปขัน เยอะทีนีขันสัญญาันสัง pal, ส่งขันขันยิงยิขันอนี้ขันขันขึ้นมาเป็นเมื่อหดเป็นวันึงถาผมยิงเมื่ตาเมื่อหูเมื่วดางเมื่อปากเมื่อใบกระตั้งขึ้นมาเป็นพักเป็นพวกเป็นเ่งวันนี้สัาพูดว่านมื่อผมยิงหวาันไปว่าที่ันไปว่าขันนี้ข้าขันเ้เอไปตักนานได้กี่นิดฝนตกสนเนียวาั่นี้ข้าขันแท็กเอาไปตักงานมันได้กินฝนตกฝนที่มัน ผอเขาจะเปลี่ยนไปบ้านี้ขันที่ขันมันดีไหมมันที่มันหนับมันวัดเส้นที่เสื่อมกับลับที่ไหนเส้นที่ดีมันกับหรับอะไรคือหนึ่งใี่ไผู้ยุคเคียงเราก็เป็นคูส่วนหนึ่ผู้ยันกาลังก็เป็นคู่หน่งผู้ออกคนนั่งก็เป็นคู่หงทั้งหมดศึกษาเป็นธรรมะนี้พอเข้าใจจริงจริงอือขันยึดไปต้องสูงหลับหลับต้องสู้ของเสือย่างนา ไปสู้คนดีลูกไห้โอ้คขนันดีอาทิศิลปศิขาอาทิตตศิขาอาทิตย์ประมาศิขะศิขะแปลว่าตันบบ น, บบ น, นั้นแหล้ว่ทุกว่าตีมันโน้มออกไปซื้อเนเลยคนคิดว่าของเงินเลยพ่อเปดีซื้อมาได้ไหมครับกูมาจ้างงานท่ากันเลยไม่ทะลุไมกันไหนทีนเขาไปเขายนงไงเอาเขา้านไปนเขายังไงโรงงา น, ง น, นมันตานเขา อ, องเินมันทะลุเมื่อมันทับมันตีเปลกที่ต่วมองเงิน กบเป็นที่เข้าถึงกัรดนเราที่ติดโดยเพพาะมันเป็นคนที่ไม่จำเลยจำแล้วมันก็ลืมลืมหลงลืมไปธันวาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเก้ารกับวันขึ้นเกตคัมเดินเตียงบ้านหลงพ่อเรนดนียงเนี้อเนือเดิน่งเดินสองเตียง เหมือนอ้าวเลเรือนี้เหมือนสอนเหมือนอ้าวเ่องนี burnout, like <c oughs> ้ม so ือนสาบเลยนะวันหนึ่งวันเดียเดียวไรื่องนี้คำพูดอัไรอย่างนั้นกันวันนี้ก็จะพูดเป็นหัวข้อเป็นสร้นกหน่อยคือมีคนเยนหนังสือมาถามแล้วเขาก็พูดว่ไงถ้าเทปหนึ่งนี่เอาเทปนั้นมาเออันจะรูปของเขาเขาถามาว่าหัวข้อวิพา วิญญานคืออะไรเด ย, ย่อออกเสมาสองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงเึรื่งกะระแสวิญญาณวิญญาณอนู่เพราพต่อเอาค่ากะระแสอะไรสามเครื่องนัดหน้าได้ตส้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างวันนี้อะไรเป็นเ่องหมายของวันนี้นะสี่ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะนักสั้นผู้ที่ละกะระแสวิญญา น, า น, านแล้วปฏิบัติอย่างไร มีการรับขั้นของหมายของเขาเอาไว้สำหรับผู้ได้เส้นทางแล้วห้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วฟังกันพูน้อยพูดน้อยแล้วก็อยากให้อาจารย์ธัญญาธิรศับอาจารย์อาจารย์โกวดเนี่ยพูดเยอะไม่พอไม่ เ, เป็นเลยว่ะขึ้น <c oughs> สัญญาอันนี้มันไม่ยังินไป แต่สัญญาเล่าจะพูดที่ตัวเองประสบ ก, การณ์นั้นนี่เลือเล่อนเล็งเด็ดมันต้องสว่างอยู่เสมออย่างเรียกว่ายานปัญญาเนี่ยนะตัวเราเองน่าจะยานปัญญากันเพื่อจะยกตัวพูดของจริงสู่กันฟังคำวินิจพายเนี่ยคนจนมากเข้าจ ะ, ะตายแล้วจึงเอาสวรรค์เอาวินิจพานตัวเองบอเข้าใจอย่างนั้นไม่แรกอยังไม่เข้าใจเมื่ออายุสี่สิบปีมาเนี่ยไม่ฝังเสียงเลย มนเหาพูดกันยังไงเรื่องนคนตานยว่ามีคนสุดที่ไหนเอาลุพานมาพูดให้กันฟังไางแต่ดานว่ายุทธาเหีนยงก็เอามาวาดให้เป็นๆที่มีลมหายใจอยู่นี่แหละนลับบนสุกประเภทนั้นและให้คนที่ยังมีชีวิตยึตใจหยาดศึกษาแล้วเอาไปใส่กับชีวิตประจำายุพันหรือลมหายคือควพรพาว่าหายไปรหายจายกพยศ คือมานักทิฏหายไปดไปดอยดูผู้ีวิตางเลือดหวยึดมั่นถือมั่นหายไปเนี่หายไปเองแก้คนจิ้นมันไม่ได้มีเราเข้ามาผู้เรามันหายไปเอมันหงุดที่ไหย่เลยคือโทรศโลหะโลภ้มันหายไปอย่างเงี้ยคือเพกตามการมาสาวะภาวสาอวิชาสว ะ, าส ะ, วะหายไปมันางไปเองเหมือนกับนำสีเงาผ้าเลย ที่แลดผ้าเราเป็นผ้าขาวที่สะอาดดูนล้วไม่มีนนสีเต็มกระป๋องแล้มีคุณภาพร้อยเปอร์เซเอาไปยี่มผ้าขาวถ้าเป็นสีดำผ้าจะดำทั้งหมดเลยเพราะสีหนึบอยู่ในเนื้อผ้าทั้งหมดเลยเมื่อเรีย น, นี้มีสัญญานะ่เราสัญญาสังขารดิญงานทำไมหรือไม่ ม, มีสัญญาจะไม่ใช่สัญญาว่าก่อไก้ขอใครยังผีพ่อจะพูดอาจารย์คุณทีิแต่สัญญาอันนี้มันไม่เกี่วของ อันี้เป็นสัญญาของโลกเป็นสัญญาของคนทั่วไปเป็นสัญญาของสัตว์ไม่ใช่เป็นสัญญาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัญญาของพระเจ้าสัญญาอันับสัญญานี้หมายถึงิที่ดถือคนยึดถือในเรื่องสัญญาหมายยึดถันได้สัญญาอันนีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิจารณา เรื่องใจเราควรไปรู้หายใจกวรรู้เรงมไหปนหปนึ่งของเร่รับสัญญาลี้อันนี้สัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญานนั้นสัญญาอันนี้ไมเรียนจะศึกษาธรรมะกธรรมภาสไม่ใช่มมกกรรไชปศึกษากับเนไม้ภูเขาอันนั้นอันนั้นก็ดี่หลงพ่อเขา้าใจจะพูดควรจริลหลักล่ำที่สุดเรื่อปัญญาอันนี้นมีมากขึ้นมากขึ้นยานเป็นเราเข้าไปรู้นี่ครับ เข้าไปดูพันเขาไวในเทปเขาพูดว่าเข้าดูพานออกดูพันมันงั้นเป็นคำพูดเข้าไปดูควรคิดเราคิดดิเนี่ยดูเข้าไปดูอันนี้เนี่ยที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาที่เ่าเข้าไปดูเมื่อไหร่ตอนี่เข้าไปรูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาตัวนี้ัญาอกนิ้วปัญญาไม่จะรอกนี้ที่ฐานทุกที่ทุกทางเพราะว่า สิ่งที่มันรบกวนนั่นแหละเราต้องหาเครื่องกั้นเมื่อเรามีเครื่องกั้นอย่างญาณปัญญาเกิดขึ้นหรือปฏิปจนญาณญาณอันนี้เข้ามาสกัดกั้นไม่ให้สิงนั้นเข้ามาได้จะของสิ่นั้นอย่มงไรเงินคํานวนเราไม่มีสัญญานั่นแหละมันเข้ามาเรื่องงยๆเราอันตัวโทสะโลหะเโลภโดยควรยึดมั่นถือมันเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้อันนี้เป็นยึดพานยิงว่ายึดพานนั้นะก็แบบเป็นควรเย็นอกเยนใจ หายจากพยศหายจากคนที่นั่นถือมั่นเมื่อเหาหายอันนั้นหายจากเราไปคนว่าหายไปแล้วอันนี้นี้ไปเองเพราะมันไม่มีอยู่แล้วถ้าเรารู้สึกตัวด้วยนะเพราะมีสัญญามันไมีอยู่ตลอดเวลาดนีย่ยงานก็เป็นเข้าไปเข้าไปรู้อันนี้นี่เองไม่ใช่จะเหาะไปคือวกคือหิว อ, อันนั้นงานของคนที่ยังเราเป็อย่างขงง้ต้อ ง, องกล้าขึ้นบบนี้อย่างนีนอยอมอีกตัวเดียวทุกคนอย่างนี้นจางจสามารถจะเอามาสอนคนให้เป็นรู้ ธรรมะที่พระพุทธสอนนี่แหะมันมีอยู่ในคนทุกคนในทเกเพศผู้หญิงก็มีองนั้นผู้ชายก็มีอย่างนั้นพระสงองค์เจ้าก็มีสย่าง น, นั้นถือข้อเสนอเาต้องมีอย่นันคือว่าสัญญาวงหมายด้วกันให้ไม่หลงไม้ลีมเลยว่าเกิดมาจากอะไรหมอเพราะอยาเกิดขึ้นปัญาเกิดอกร่าไม่ต้องไปมีภาพษ์วิารอะไรที่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นคือว่าวิพากษมันต้องเห็นอย่างนั้น ยางที่เขาถานัอย yes. yes. well. ่ถามตอบมาเลยะไม่ใช่เราจิตใจนะเรื่อยๆหรือเปล่าไหมเนี่เรื่อไม่อะไรลยูแหลักสัญญาลูกานอยู่สอนให้คนรู้อันนี้ให้มีทํางาตัวรู้เราได้มีสัญญาลูกอันนี้แหละเราเงไปเงินไปดคนบผู้หให้งินไปเลยมันไปเป็นสัาตัวนั้นเป็นเส้นงานเปนดีน่าดู่าดูเท้าดูขาคนเมื่อเกนอุปทานยลอดอันนี้ก็ยโกัขึ้นงาน พระฤาษีมีสัญญาตัวนี้อมีเครื่องหมายอยู่ทุที่ว่ามีรทธิ์อแูลเครื่องหมายอันมีฤท์คนอาตมานอันไปยส่เสื่อีเทวดาพระพุทธอนันมีของคนที่เป็ังมีฤอนัมีมาก่อนพระพุทธเจ้ากันอย่างนั้นอนันีทของสมถะกรรมฐานเมือกับคนที่ในถ้าเนี่ยเขาจะจุดไฟกระตานมันหึงเ้นเนี้ยพอดูไฟมาปุ๊บเหมนมทที่ถานเนี่ยเนียเป็นอย่างนั้ังสมถะกรรมฐาน อันนี้ยังม่านนะผมที่เข้าใจมาดูข้อต่อไปปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสท่านผ่านเลเพปฏิบัติพิกมือขึ้นกระลุ่ยิดต๋าข่วนมือลงกนะลุ่พิกปากกรู้เลือกข้าวแบบวกกระลุก็มือกระุ้ยังใต้ยันหัวกระลุ่ือมแม่นายเป็นย่งขอ่กรูุ้่ยหาใจเข้าหายใออกกรูุ้่ยใจันพิกรูุ้ ถ้าจิตใจมันยึกถืกับบางวี่ิแวะได้กแสมกับคนตกน้ำเน่กน้ำถือว่ามาตึ้แต่บ้านของพ่อเลีตกน้ำแก้มลไปพระผู้หญิงเขเลยเพราะมนจนทกผู้หญิเป็นวันที่มีโผล่ขึ้นม า, าที่ีบบมองไปที่โอ้แต่ฟังยดขึ้นเอยไปเลยเมื่ได้กระแฟพรานิพพานที่ว่ารู้จะควนคิดยึดเองควนคิดยึดเหมันทาให้เราไม่พบ เราก็เราหลบเราหลบนั้นเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เนี่ยเรากระแสเยอาทำสัญญาตัได้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาจะสอนอย่านี้พระุจาสังงานสังขารยิ่งานเรทนาเยทนาก็เนนี้ี่ามีชื่อข้ออันนี้เลยตรงพูดเลยปเด็ุณหลักสั้นดีว่าปฏิบัติวันนี้ยึ่งจะได้กระแสเกระแสที่ทางก็คือเราจะเป็านั่นเอง แล้วเรารู้คนทุดมีงปัญญาไปด้วยมันไม่เห็นมันดูนียอันนี้เป็นการปฏิบัติให้ได้กระแสไปเนี่ยข้อที่สามเครื่องวัดย่าได้เป็นหางแล้วยิงอยู่อย่างไรอะไรบ้างวัฏฏะโลหะโลภะมันยื่นจางเท่ญญากับจะมีติดเป่เครื่องหมายอันนั้นคนอื่นอย่างไม่เห็นเนี่ยเป็นยังไงยิงปัญญาไม่ทุกปัญญาไม่ทุกหลังขายไม่ทุกยิงงานไม่ทุ ก, ญญทกเพราะ โทสะโมหะโมพะพุทธรายไปแล้วแก่ไปทำลายแล้วมนคือมันมีเครื่องส ก, กัดขั้นเดิมอันนี้ทางประหารภายในผานเมียกพิเดตปัญหาอุปทานก็จางหายไปแล้วเหมื่อกับเงินสียัง น, น้ำไมา่เอาไปงอมผ้าขาวมันไม่ติแล้วคุณภาพมันไม่เหนี้วแต่ปริมาณมันเนต็มกระป๋องเหมือนเดิมแล้วคุณภาพมันเสื่อมแหนบสินสี่ปรากฏขึ้นมาสิงที่ปรากฏอันนี้น เมื่อทีเลิกวันหยาบสิ้นทำลายไปแล้วซร่งสิ้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสวันหยาบันงยาบก็คือโทสะโลหะโลภะทีเลิกันข้อตทานกับนี้เองเลิกอะไรดีวางหายแห้งไปส้นามกตสิ้นจึงเป็นปกติเอ่ะเนี่ยโดยกได้กระแสก็มีผ่านและเนินผ่านอย่างนี้แต่วันเนี้ยมันมีสี่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะรักนัน ก็จะไม่ไทงานอะไรเลยก็ไปศึกษาไรียที่ไหนดจิตมีใจที่เอกเพราะจิตใจมันไม่ตใจไม่ตัวทำงานก็ดูใจึงข้าก็ดูใจเข้าโรงงานเขาเชื่องกดูใจเนี่ยงานตัดบ้านเตีงที่ก็มีใจเป็นข้าราชการเห็นหนังสือทาลานในตัวห็นคก็ดูใจบท่พวกเราเป็นคนชื่องเขาก็มีใจ ทุกเรืไอที่กิดยังทีคนดีใจมนนึกมันคิดมนคือบาดแผลลึที่สุดันคิดุ๊เราอะเห็นตรงรู้เข้าใจควรคิดกะจัดกายไปเลยดึวว่าทุกต้องกำหนดรู้มากาหนดรู้จนี่จบจทุกข์อมันเป็น้อนทุกข์นคนขึนทุกต้องกาหนดรู้สมัยไทยสมณเนี่ยเมื่อมารู้ปุ๊บอนี้เราหางเองนะมักต้องเริญทำบ่อยๆจสุขิเกที่ขาน เมื่อโลกทําให้เจี่ยงเลยแล้วก็ลงดูเจ้่ยงขึ้นเจีงขึ้นเจีงขึ้นแล้วก็ดูสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเปน็นยังไงเห็นเรื่องเคลื่องหมายอะไรสาหรับผู้ได้เล่นทางแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้มันรักสั้นเพราะมันรักสั้นที่สุดจะไปอย่างไงดันงนี้ห้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่อนหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วให้ยันข้าม หลวงพ่อเคยพูดเคยว่ายังเอาเสือมาดีเส้นนี้มาดีเส้นนี้ยิเป็นไปแล้ตับปักมือนมาดแ้มันไม่มลับติดหัวที่ที่นี้มันก็าหากันมาถึงมันคาดแล้วเสือไม่ต้องไปและไม่ต้องมามือคาดมลไม่ติไปที่ไหนยากมือขนมามันไม่หยต่อกันอันนี้เม่สัพพเป็นเพียงลักยิงคนทุกคนไม่ยดหลวงพ่อกล้าด้วยอ่ะถ้าหากเราศึกษาเรี่องน้เร่งนี้เื่จากมือหายใจงแน่นอนทุกคนต้องเป็นละ ดี <imir Sham krit> ไหมธรรมเนี่ยเราฉับเมื่อเรจะมาใช้กับเราควรที่เอามาใช้กับเพื่อไรยางนี้ีรู่ที่นี่เองดีไมเราีแล้วเมื่อไจะศึกษาที่นอกตัวเราไปอศึกษาที่หลวงพอพูดอยู่นนี้นี่ยังต้องกรู้เพราะมันเต็นมันมีอยู่เลยอย่างนนอยู่ที่เดินมันยัคิดเอมราทำมีคนนอกคนให้หลังฟังมันก็บอกโอ้ยเอยู่เลยเนี่ยเมื่อมีคนนอกปุ๊บพูดอะมันก็ดีแล้วแบบนี้เ มันเข้ามาหรือเพราะเราได้มีปัญญาตรงนั้นถ้าเรามีปัญญาตรงนั้นเราจะเลืเอนเรยนไม่ได้เลยอันนี้เป็สัญญาทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นปัญญาจึงหลบหนูยุ่ยอันนี้เม่ต้องถามใครที่ไหนเนาะเพราะมันมีใน เ, เราเลยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าสักที่ไหนคือเราตถาคดก็ียวเลื่อนมาลูกลงไปซอกไปไปเรียนกับอาราดาบุกมีทักษะรดับกยังไม่ถนัดประแปะ พ่กตอนนั้นมาอดข้าวอดน้ำเนี่ยเดยเอาสัมฤทธิ์กระหูกให้อาชีะไรคได้ไดไยินกหมนี่ไงพ่อไม่รู้ในตอวตัว่ะแต่ทั้งหลายคือเราแต่เถาเราเดิน้กันคห้ถึงกั น, น, กกนแล้วก็ไปนั่งภาวนาพุโทโธบ้างร ม, มาอะรหังบ้างอะไรต้องไปจะนั่งนะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วลงไปเ น, นี่อย่าไปนยงนงไงอดข้าบอดถุงข้า อ, อ, อ, อันนั้นละเอียดเดือดตัต เ, เอง เด็กํำลังทำยุคระพุงเจ้าสออย่างนั้นเด็าเป็นปเจ้านนคนนี่รุ่จากทางเด็ก ท, ทิ่คือคนเห็นไม่ไว้ให้เันแล้วมันจะได้มันจากมีขี้เลทดีเลน่อเอาใส่ย่างเอาขึอนเือ้แล้วนี่หนะึ่ือนหนึันนี้เด็กระดันดีไงหลวงพ่อเจ้าคณะอภอเชียงขาแล้วหลวงพ่อฟังนอนเตาระทิบบางคนนอนย่างใจบางร า, ง ท, งง า, างทิบบางอาทิบนอนผ้าบางอาทิบนอเชืยอนอนน้ำ บางทถิติยางเป็นย้างโตจะเป็นมไม้ตัวยเปิดก็เพราะไม่รู้นั่เองไั่นี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นพอไม่รู้นีมันก็ต้องสอนกับไปตามผลไม่รู้นมีอย่างไม่รู้หน่อย่างครู้แบบนี้เลยเสามาลย่อย่างคุณรูณ้ผมก็จะกว่าสัท่านหลายเราคู้เป็นกระถาคดไปเรา เ, เห็นางา น, นแล้วจึงมาสอนพวกเธอทำลายให้พวกเธอทหลาย ระพระึ่ปฏิบัติตานย่างเราแต่ถาพวกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราแะ่ถาคุดมื้อเมื่อเราเมิ่มไปจะทำอย่างไรกับไปนั้นเนเงเด็กชายเด็กผาเขาไม่ว่าอย่างละทนเอาเนี่ยอันนั้นเรเบียดเบียนตัวเองเราไม่รักหัวเพราว่าทํานเราใดเดินไปุกว้นเบียดเยียนตนเองและเบียดเยียนคนอืน่นนั่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นที่ไหนไม่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาท่านว่าอย่างไ ทำมาไดเต็นไปทุกคนไม่หยดเดนเป็นเองและไม่หยุดเดนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นที่นั้น น, น, น, นั่นแหละเป็นคาสอนของพระพธเจ้าควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจท่าอย่างน้ะมืดมาสว่าง ไ, ไปเปิดขนยดบันี้สว่างหน้าบันยนี่ยไ ม, ม่ใชเป็นธรมท่าันมีใส่บัควไรไ่ั้งแต่ห่างไปเลยเต้องถามท่านแล้บันี้เถอะหยุดและการศึกษาการเรียน การศึหษาจะไดศึกษาประโยชน์อะไรเพราะมัยู่องคเมีเปรว่ติมืดมาสลางไปสว่างเยอะเยบางานนะทีสว่างแม่ประกอะจิตใจของมันไม่ได้ถูกสกปกนะจิตใจองมันสะอาดอยู่แล้วเกิดจากพ่อแม่มามืดไปบ่เยกิดมาแล้วก็ทําไปสะเพรอะอยากทำยังไงก็ทาไปอยาพูดยังไงก็พูดไปตามอารมณ์เนีย่ยเกมืไปตายแล้วเนี่ยแา่ทีบางทมืดมา มไปเลยประเดี๋เกิดมาพอม่โบเคยพูดธรรมะบเคยว่าเรื่องทำดีให้ทําห้าบเคยว่านั่นแหละมดมาตายก็ยังไม่เคยได้ทำดีไม่ได้เคยโบคิดเป็นใจมุดมากระมดไปมุดมาระวางไปกระวางมากระลังไปเดียก่นอนเขาเพิดมาเขาโบเคยคิดเป็นใันัดนี้ต่อม า, อมอมมาปเขาง่มาแล้วพอแม่เขาก็สอนส้างบุญธรรมใมาไปจนเมินเข้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปให้ปัญหาเกิดขึ้น ให้ปัญญาลบหนึ่งงานก็ขึ้นปนัญญาลบหนี่งได้ไงระหว่าสว่างสว่างไปเพราะมึงไม่ทำสุขปลุตรเลยตึ๊ดจเยือกไปได้อย่านเดืนีถ้าฟังเข้าใจแล้วไปทำอะไรเดี๋ยวนี้นทุกคนจิตใจมันเป็นอะ่โอ้คลักษณะมันซึ้งๆไปเลยมัเปิดขาวานซงมันไม่อ็งไม่ได้่านเลยรผ่านเัือขาวริวผ่านสำรองนี่มันได้เสื้ขาวกันัดียอยูนะริบานมัแบบเป็นลูกต้นท่วมเย คนที่นี้ไม่ตายเลยคนมันต้องมีทานให้คนทุกเมื่อทุกวันเต้ไม่เข้าใจว่าจิพรานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่มีตัวเราเองก็ไม่รู้อะอันนี้แหละที่ว่ายึดมาสว่างไปเรามีคนสว่างแต่จะไปสนัยแต่เตคเขินถนัดเพราะรู้ศึกษาตัวของเราเองการทำบุญการให้ทานการรักษาดีดีแล้วถ้าหนรู้อะไรนี่ถ้าไม่รู้อันนี้ก็คือว่ามันเป็อย่างประโยชนน้อยที่สุด การจะคนสงนนะสแบยบังไท่านเรื่องอะไีแล้ว่าสงบแบบนั้นยัว่าสงบสมถากรรมฐานเรือนกับเราป้ายใยท่านเรื่อท่าใสมาต๊บมตึขา้าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้จักทิศทางเลยเพราะนสงบแบบน้นรู้หอไมอยากรู้รู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ผลจริงไ่อากรแบบนะั้นคนมันก็ไปศึกษาแบบนี่นั้นอันนี้ปัชญากับสมถะกรรมฐานมันต้องกันข้าม สมาธแตนั่งนี้ให้บเียบอยมันไม่อยากรระดิมันอยากนั่งบ ส, สบายลยปัญญาในตัวท่านเนเอาไว้ให้รูสติเ่ า, ากดาน่นงนนน้น้ันรู้เนี่ยอัน็นทน่ก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้้อย่างู้ทานกะกเรท่าน ให้มี็นปฏิกิริยารู้ขู่เหวียดเคลื่อนไหวเดินยืดยืกว่าให้นี้เนี่ยรู้อย่างเขารู้อันนี้แไม่ต่ยังนั่งอยลยอันนั้นรู้ไม่อากรู้อันนี้มันสงดเลยสมาธวิตกัจนานีุ่ตรงกันข้ามคนไปนั่งสมาธิกรมาานตัวเองเนี่ยในทแบบไม่อยากนือเไม่อยากให้เรีทกเมันมีเอนมันก็ไม่สไปสด้วยนะอันนั้นสุบแบบใตโมหะสงบแบบอยู่ในท่ามันไม่ใช่สุบเรื uh, ่องปัญญาของวิตัจจาน ไม่ได้สนุนเรื่องงานของปัญญาไม่ได้สนุตเรื่องปัญญาไม่ได้สมุตเรื่องปัญญาเราผู้อันนั้นกล้าได้สิทธินรับรองว่าพัาผิดไม่ถึงห้าเกิร์นคุณคลาดผิดแค่นี้นะนักเล่าเร่องพูกต้องเล่าเปอร์เซ็นตเพราะมันขาดแล้วเรื่องปัญญาอย่างนั้นทำให้มันจบลงอยู่ทนี้ไมต้องไปละเรื่องพอเขาใจอย่างนั้นไยซื่อสุขุ่มล่ม่ม่ม่มาแล้วไม่ต้องฟังเสียงใครจะพูดวัาไงเป็นเรื่องของคนพูด เราต้องพูดคนจริงให้คนพิสูดได้เอาไปใช้ได้ดจริงจริเนี่ยันก็พูดให้ฟังดีวคนมีคนมาถามเรื่องที่เขาเขียนนย่อมนเรืนอะไรหัว้พ่อวิษพานวิษณพานคืออะไรย่อแต่ก็พูดงแย่อใี้ฟังสลดปฏิบัติอย่างไรให้ถึงกับเสดพรนิพพานเสดพระนิพพานกับขุนพุนานเลยนี่ ยังติ้งไปเลยออกตีดักอย่าที่มักพลโลก่แล้โอ้จะฟังยังเพิ่งลอยแต่ที่เป็นอ่างไรเกิดกระแสปฏิภาณยอะหรืกิคนคิดแล้วที่เนี่ยมัเข้าใจแบบนี้สามเครื่องัดงานได้ต้นทางมีอยู่อย่างไรคืออะไรบ้างก็มีที่ผูวเหานี่คนณิดกะแล้วก็จะบดินไปบ้านเดินไงานเพียงเทื่ยนเพียงขาให้เขางนาใสอยู่มอเป็นอยงนั้นบางทีบางีบาันก็เบิ้นใจเบ้นบิิดเบ่้ใจเฮานี่แล้วเบิ้นเ้ที่ไหน เข้าใจคมุกนย่ผู้หก็มีสักกันผู้ชายก็มีสักกันตัวห้อยตัวก็มีสักกันคนคือขาก็นาดก็มีสักกันฝั่งอังกุกก็มีสักกันให้ว่าคนก็มีกนนิดิกรมีลกษณะก็ยังีนะเรื่องนมันการกะมัมีสัญญาหรืสัญญาหปหมสัญญาการัะ่นย่งรสัญญาเป็เมองมันห้องยิ่งหรือเป็นเมองนแต่สัญญานสเป็นมนคนมันต้องสิเป็นมนุษย์เนน เป็นงนัวงานตมันเกิดขึ้นนี่วะงานที่เข้าไปมีอัญญาเนี่ยเขาด้เห็นีหยเขาไปมือันนี้แหละปัญหาเขาเรารู้อันนี้แหละเกิดขึ้นงานี่แหละนี่วาได้กระแสกรานเหมือนกันคือได้ยุติใจตัวเองนี่ยมันคิดโอ้ยตมือี้น่คนว้ผเมือกี้่บนมีติเอ๊คนบมจกมีปัญญาไม่ติดใจคนนี้วุ่นยเกิด่นวขึ้นมาโอ้ทุกเด้อนี่วะนาทุกในราการันปรกัน บบ เ, เี่ทุกนนกาหนดรรเคลื่ อ, น, น, อ น, บบ น, นไหวอย่เป็นทุกข์อะก็จาทุกขังลึกจังี่ยทุกไมดกับเรื่อะเนี่ยทุกขังลกจังอยารเที่งอยานี้มันตาบังคับบรรดาไมได้แต่อย่ามันขึ้นไปตามธรรมชาติของมันเราเพียงแทรูให้รีสัญญาดเลือมันไว้เท่านั้นเอง เ, เ, เดี๋ยวจวเดินไปหาพระพุทธเจ้ามีเครื่องวัดอะันหนห้าที่สุด ข, ของตาเมเดินทางมีอะไร เป็นเครื่องหมายงาไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอี้มันคาดไม่ได้ไปที่ไนทำมมันคาดแลเนี่ยทุกคนมันคาดได้เนี่ยเยวเตือนแวมหายใจอมื่อนอนที่สุดเมืดมาสวา่างไปเดี๋ยว็ไม่ร้จะบบว่าโอ๊ไปแต่จังหวะต้อ ง, งิเตียงก็ได้ีไปหน้นจ่ายจุดไฟก็ได้นคนทุกคนเตียนจะบว ม, มหายใจเนี่ยต้องเอาเลยละค น, นคือถ้าคนตายเนี่ยมืสถร ยึดกำหนดตัวเองลืมทิ้งลืมตาจะเกับมื่อ ม, มากระห่ไปต น, นเองเอาแหละเทวพูดให้ฟั ง, ง, งวันนี้กองอิมวัตรควรพสั้นๆได้บางทีกัอาจารย์อาจารย์ท่านนี้รกับอาจารย์วิตเ้เขาก็ได้มาถึงพพด ก, กันให้ทำผมกระจาดขึ้นมาเราจะได้เอาไปใส่กับทิ้งทิ้งกอนเราโลกนี่มันเป็นยังไงโลกนี้มันมาอ ย, ย่างไรจะแก้ปัญหามาที่ตรงไหนอาจจะหมากรถก็สมควรแล้วแตมาเขอ อาจารย์โบิตกับอาจารย์ไิยวั์เข้ามาพูดมาคุยกันเพื่อเป็นการปุกเบินเพื่อกัน <c oughs> ให้คนสบางให้คนเดินไปมาสดากสบายอยากให้คนเป็นคนที่ม้องมั่นคนนึงเอาแบบท่าที่ศุภีอาจารมาพร้อมด้วยพัะสงและยากเขือนมานั่งสังธรรม ะ, ะ, ททะมอยูอ่ันสถานที่นี้อาจรมาขออาตเอาุของพระภติเจ้าและถ้าทาคา ส, สอนขอ ง, ข อ, ง, อ, งองค์มสมนเด็พระอาจารย์เปเจ้าและคน ข, ข, ของท่านาสาวิพัฒนาจะม า, มาตื่นจิกับจิตใจของพวกเรา ให้พวกเราได้รู้เรืเ่องเป็นตามห่วงเป็นกลที่พระพะุทธตรัตวัดตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตเปินเราแห่ง น, นั้นเราจึงนมาสอนพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทำงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะยิจะเห็นจะเป็นจะมีญาเราตถาคตนี้ให้เราทุกคนเนี่ยได้ประสบพวกนี้เวลาใครจะยนทุกทุกค น, คนท่านหลายคนก็เบื่อครับ มีการเรียนรูปนามนามรูปแดนทงกรรมอะไรนี้ครับการขึ้นน้องทีนี่ให้มันสนุกสนานขึ้นบ้างครับแต่แต่ว่าสนุกในทางธรรมศึกษาอาจารย์พิวัด์แล้วว่าดัางนั้นเรามาคุยกันดีกว่าครับเนี่ยทั้งวงจับข่าคุยกันทั้งวงเลยครับแต่ว่าเมื่อเป็นสิบๆอย่าง น, นี้ก็ครงตร ง, ตรง ต้องคุยนันสนทนาครับแล้วก็กรหยาดุ้ทางเนี่ยหยาทีา่พูดกเอาเลยครับแล้วี่พูดดองอนนวันนี้นะว่าดที่ผมกคนรสกนียชีวิตของคนในปัจจุบันนี้นะครับแทนที่อึดอิ่มก็เล่ามันนักโทษถูกขึ้นเรือนพิพากาาเนี่ยหลายด้าน ความจังกัดทั้กีทัานด้านเศรษฐกิจสิทธิเสรีภานะครับอะไรก็แลวมีข้อนาสเกตอย่างหนึ่งว่าเมื่อสามสี่วันที่แล้วนี่นครับรัฐบาลไทยกับลาวก็เดินกันเ่ินติดต่อกันแต่ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะลาวไทยพูดภาษาเดียวกันไม่ซ้ำเลยวันธเดียวกันชาวพูกเหมือนกันจะโกดจะดีกันทันั้น เฉยก็ได้ครับไม่เห็นต้องอการมานุลงให้แตกกันแล้วก็ดุยงให้ดุกันอีก ด, ดุแปลกฝุ่นลอที่ไปเกิดความขิดบางทีเนี่ย กับลงโดยที่ธรรมชาติของมนุษย์ดังที่ของพ่อได้อฏิบายนะครับชีวิตจิตใจของมนุษย์มันไม่ได้แค่เหมือนที่ที่เป็นอยู่มิจฉุนุสก้างขวางรับได้เห็นเพื่อนต่างชาติตาภาษาก็มีลักษณะใจดีใจกว้างร่มสวยที่เลื่อยเฟื่องกระกูเป็นตัวอย่างที่เราทราบกันดีนะครับซ่สวยจงก็หน่งเอยู่แล้วก็ เด็กตกน้เจนคนนั้นก็ยืนยัความจริงก็กระโดดกระวายช่วยเด็กก่อนคือธรรมชาติมนุษยใจกว้างใจดีแล้วก็ใจดีนะครับเนืจากสภาพแวดร้องกระทำมนุษย์นก็ได้ถูกนีรักจากหลายๆเรื่องไม่ได้ไปเนื่จากจากความยุดติดเพราะยึดติดกบรื่องใดที่ได้รับแค้น แล้วกค่อยสูญเสียความดีที่มีอยู่แต่เดิมนจะเลืนาพูดา่าย้ะครั บ, รบนี้ก็ให้จในวัดเรออะไรที่ประจ บ, บครับเาเป็นคาถามดีกจะได้ดีก็ดีครับอาจที่วัดทหนให้งเท้ามาั้ครับฉนขอถามปัญหาที่พ่อทิ้งไว้เมื่อกี้นะคือท่านบอกว่า คารู้สึกเฉยๆน่ะที่นผานเดี๋ยวนี้ขณะที่เราทาบุญแล้วบิดมีความเรื่องใจยางนีช่านผ่านไหมเช่นอย่างขณะรบทนะบวกยงใหม่เนี่ยรู้สึกเื่องใจนาไปแล้วหรือขณะเราไปถวายสกถินถวายพระป่าก็ตามบางทางรู้สึกเรื่อนใจขณะอย่างนี้จะเป็นที่ผรต้องถวายให้ตามตอบ